Book 2หสิสองการตั้งคาถามหนึ่งเเรียนไม่สย มสัสยนักเรียนเรียนมากไหมอามอยนอชุมัน่สิอามยนืชุมจันสิทไม่พวกเขาเรียนนย้อยยอมัมยน่ักยอมัยนืักถามพสพส คุณถามคำถามคุณครูบ่อยไหม아에ช스니스ม쉬머수ิ น, มนมไม่ครับผมถามท่านไม่บ่อยยอนุกเอพิสเเจชยนุกเอพิสเจชตอบกลับจิจ ช่วยตอบกลับด้วยครับผมตอบกลับอบุนทำงานผู้นเขากำลังทำงานอยู่ใช่ไหม อัปปุนนนไอทานนีอภปปุนนนไอทานนีใช่ครับเขากำลังทำงานอยู่ป๋อไอภปุนนันป๋อไอภปุนนนมาวีวีคุณจะมาไหมอาวีนี ครับเรากำลังจะมาเร็วๆนี้ปะพวิมตานีปะพวิมตานีอยู่บนอยคุณอยู่ในเบอร์ลินใช่ไหมครับอ b a าโนนเบนอนนีเเบอริน ครับผมอยู่ในเบอร์ลินต่ออุ้มบ้านอยในเบอร์ลินต่ออุ้นบน้านอยนเบอร์ลิน